ตอนตอบปัญหาสภาวาธรรมวันที่24มกราคม2558กาบธรรมส ก, การ์ประคุณเจ้าสามเณรขุณเมชีการล ะ, ะมิตรทุกตนน่นะนั่งสบายสบายนะเนาะก็ทุกคืนวันเสาร์เป็นปกตินะวันนี้ก็พ่อครูไม่ต้องมองหาอารมณ์นะพะมีคนเขาถามขึ้นมาเนาะดูว่าถามว่าอะไรเมื่อกี้เพิ่งยืนให้ คำถามแรกผ่านการผ่าตัดกระดูกสะโพกสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่ศูนย์ได้หรือไม่เพราะกลัวว่าคงยืนนานไม่ได้ก็เราต้องฉลาดเลือกอริยบทที่มันเหมาะกับเราแล้วก็ถ้าขานั่งแค่บอกถ้านั่งสมาธิ นั่งคตามาตัดไม่ได้ก็เนี่ยนั่งบนโซฟานั่งในที่สูงห้อยนอนก็ทำได้ยืนเดินนั่งนอนนะเราต้องเลือกใช้ที่มันเหมาะกับเราต้องเชื่อมั่นในจิตเราขอให้เราท่าไหนก็ได้แล้วก็รวมให้จิตเป็นหนึ่งโดยใช้เสียงเนี่ยมาเป็นอุบายทาให้มันเกิดแรงเบี่ยงขึ้นเมื่อมันหมุนแล้วเนี่ยจิตเขาดาเนินเองนะเขารู้ว่าร่างกายเราเนี่ยพกครู หลายปีก่อนเคยไปพาเขาปฏิบัติที่เพชรบุรีมีคุณลุงคนหนึ่งเขาเป็นเขาเปลี่ยนหัวใจเป็นหัวใจเทียบนะคือจิตเขารู้เองว่าเวลานี้ร่างกายเราตรงไหนบกพร่องควรจะทำแค่ไหนท่าไหนที่มันเหมาะแต่อย่าใช้สมองนะสมองเรามันแฝงด้วยความอยากมันจะทำอะไรเกินไป นะสมมติว่นเราฝึกชี้คงคนจริงก็ฝึกชี้คงลมปานหรือว่าฝึกไท้เก๊กก็ช่างเนี่ยก็ทำให้มันเกิดลมปานแต่บางครั้งเนี่ยเราใช้สมองฝึกทีละท่าบังเอิญลมปานที่เราเดินมันเลี้ยวขวาแต่ไปชนกับลมปานข้างในมันกำลังจะไปท้ายมันจะชนกันแต่ถ้าเราปล่อยให้จิตดําเนินเองเนี่ยเขาจะรู้เองว่าตอนนี้เนี่ยควรจะทำแบบไหนนะให้เชื่อมั่นในจิตเรา อันนี้คำตอบก็คือว่าปฏิบัติได้นะไม่ใช่มาทำเช้าสายบ่ายเย็นอันนี้เช้าสายบ่ายเย็นเพื่อให้จิตคุ้นเคยแล้วก็นะเราก็ไปเลือกอริยบทไหนนะที่มันเหมาะกับสังขารของเราในเวลานั้นนะขอนอนก็ทำได้อะาไรก็ทำได้นะขอให้จิตเขามีโอกาสเดินทางข้อสองไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อน เป็นคนสมาธิสั้นทำอะไรไม่นานก็เบื่ออยากจะเปลี่ยนตัวเองแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่อยากถามว่าจะมีวิธีเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็ยังดีนะยังมีความคิดว่าจะเปลี่ยนตัวเองนะคนจีนเขามีคำหนึ่งเขาพูดว่า mm hmm. เจียงซ า, า, านอี้ก่本性难ี ภาษาจีนกันนะเจียงซาเนี่ยหมายถึงแม่นาม้าหรือว่ามหาสมุทรซานนี่แปลว่าภูเขาเขาใช้คำว่าอี้กายหมายถึงว่าเปลี่ยนง่ายเห็นไหมเปลี่ยนไม่ยากนะเขาระเบิดภูเขากันปุ๊บเนี่ยก็เอาไปถมแม่น้า ม, มันก็เปลี่ยนได้มันไม่ได้ยากเขาบอกมันเปลี่ยนง่ายแต่เปิ่นสิ่งหนานอีก็คือว่าในขบวนการ อนุสัยเราเนี่ยเขาใช้กำว่าเปลี่ยนยากเขาไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนไม่ได้แต่มันยากถ้าเราไม่มุ่งมั่นมุมานะหรือขยันมีความศรัทธากับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแม้กระทั่งชีวิตทางโลกเราสนุกสนานกับการหาเงินเรียนเก่งๆแล้วก็มาหาเงินเยอะๆเหนื่อยๆน่อยแสนเหนื่อยเราก็อดทนเพราะเราอยากรวยใช่ไม และสุดท้ายบางทีก็รวยแล้วก็เดี้ยงด้วยเอาเงินที่หามามารักษาโรคไปแล้วก็ยังอุตสาหทำในสายธรรมมันก็ไม่ต่างกันนะมันก็เหมือนกันเราก็ต้องมีความอดทนมีศรัทธามีความตั้งมั่นโดยเฉพาะสิ่งที่เราทํามันไม่ใช่เรื่องชาติเดียวไม่ใช่นี่ศีลชาติเดียวเป็นนี่ศีลมาหลายๆแสนกลับหลายๆล้านชาตินะยิ่งต้องตั้งมั่นมีความอดทนนะอันนี้คําตอบว่า ก็ต้องเปิดโอกาสมีความคิดแล้วก็ดีแล้วจะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยกตัวอย่างว่าเราเป็นโรคอ้วนนะไม่กี่วันนี้เนี่ยเขาสรุปผลโรคอ้วนในโลกนี้นะอเมริกามาอันดับหนึ่งพวกครูเคยอยู่ที่โ น, น่นะอาหารที่เขากินเนี่ยมีแต่แป้งนะเนยชีสอะไรนี่แล้วก็กินโน่ น, นกินนี่สแนกเต็มไป ห, หมดเลยเป็นโรคอ้วน ทีนี้เราก็รู้ว่ามันลุกก็โอยนั่งก็โอยเดินแล้วมันก็หนักอะไรเนี่ยฉันไม่ชอบมันเลยฉันอยากลดความอ้วนทุกวันนี้มักง่ายนะไปกินยาลดความอ้วนบ้างไปทำอะไรทางรัดนะอั น, นั้นมันไม่ใช่ของแท้นะนะแล้วก็สุดท้ายพรบเผลอมันก็อ้วนขึ้นมาอีกนแนวที่ดีที่สุดก็คือว่าเชื้อโลคมันเข้าทางปากมันก็ออกทางปากน่แหละมันเข้าทางปาก มันเข้าไปตอนที่เราบอกอร่อยอร่อยเรากินกินไม่บรญญันบรญญันนั่นแหละมันเข้าทางป่ากก็ไปเพิ่มความอ้วนเราก็ต้องลดตรงนั้นมีความอดทนจริงๆไม่งั้นเราสู้กิเลสเราไม่ได้นะมันหิวอยู่เรื่อยบางทีไม่หิวหรอกมันก็อยากกินเนาะเออทีนี้ต้องป้องกันเรื่องกินแล้วก็ป้องกันเรื่องต้องออกกนลังกายคือเผาผลาญไขมันเราอย่างนี้นะก็ต้องอดทนนะ ก็ต้องอดทนเห็นหมเรื่องเรื่องหยาบยาบเรื่องเรื่องน้ำหนักตัวแล้วว่าอะไรก็ช่างเนี่ชีวิตเราอยากสาเร็จแล้วก็ต้องอดทนต้องมีขันตนะิก็มีความคิดก็ดีแล้วแต่ว่าก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองลองปฏิบัติลองฝืนกิเลสตัวเองดูนะคำตอบคือว่าทำได้อยู่แล้วนะทำได้อยู่แล้วหนึ่งตำรวจไม่จับนะสองไม่ต้องขอวีซ่านะสาม ไม่ต้องขออนุญาตใครไม่ต้องเสียสตังค์สนะิอันนี้ก็มีความคิดเริ่มต้นก็ดีแล้วคำตอบคือว่าเปลี่ยนตัวเองได้แน่ๆนะเปลี่ยนจากคนโง่เปลี่ยนจากคนอ้วนให้กลายเป็นคนผอมเปลี่ยนจากคนโง่ให้ฉลาดขึ้นเปลี่ยนจากคนทุกข์ให้พ้นทุกข์นะเปลี่ยนจากคนให้กลายเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเปลี่ยนจากมนุษย์ผู้ประเสริฐให้กลายเป็นพระอริยะบุคคล เปลี่ยนไดนะ้คำตอบคือเปลี่ยนได้ข้อ3ปฏิบัติแนวพุทโทมาตลอดเจดปีสิ่งที่ได้คืออารมณ์เย็นลงมีสติมากขึ้นแต่บางครั้งตกใจกลัวสติก็ยังไม่ทันบางครั้งนั่งสมาธิอยู่กําลังเสพอารมณ์สงบอยู่เกิดอารมณ์แปลกแปลกแทร ก, กเข้ามาอย่างฉับพลัน ตกใจกลัวพอมีสติก็มาจับพุทโธก็ทำให้สงบลงได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะข้ามพ้นอารมณ์กลัวไปได้ขอากาบเรียนให้พ่อครูแนะนำด้วยค่ะนะเขาดูจากยนะูทูบเนาะแล้วก็ติดต่อมาเนาะก็พ่อครูพูดสั้นๆนะ ที่ฝึกพุโทโธหลดีแล้วนะถ้าในอดีตในเวลานั้นเราไม่ได้ยึดพุดโทโธนะก็ไม่มีวันนี้ใช่เขาดับความกลัวได้ชั่วคราวแต่ถ้าวันนี้เราไม่วางพุโทโธก็ไม่มีวันค้างหน้าฟัางดีๆนะถ้าเราไม่ฝึกพุโทโธมาตั้งแต่วันนั้นะ นะกลัวก็ดับไม่ได้เราก็ยึดพุทโธปุ๊บอารมณ์ที่มันกลัวมันก็หายไปนะแต่ถ้ายึดอยู่อย่างนั้นวันนี้ไม่วางพุทโธนะ่ก็ไม่มีวันข้างหน้าที่เราจะดับความกลัวได้คือพุทโธมันเหมือนสติเหมือนมีหลายลัทธินิกายหรือหลายศาสนานะพอเขาตกใจกลัวใช่ไหมพราะเป็นพ่หลังบอกกอดหมายกอด ก็คือเรียกหาพระเจ้าก่อนเพราะเขามีความมั่นใจว่าเขาเขาจพูดจพะพระเจ้าเป็นหลักแล้วเนี่ยเขาก็ลืมอารมณ์กลัวนั้นน่ะเขาบอกพระเจ้าช่วยเขามันเป็นอุปทานนะเหมือนเรากลัวปุ๊บเราก็จับพุทธโธไงเพราะจิตเราจับพุทธโธมาตลอดหลายปีก่อนมีฝรั่งคนหนึ่งสูง195เซนเดินทางมาที่นี่ พอเดินเข้ามาในศูนย์ลูกนักคำตอนนั้นน้องแทนเนี่ยอายุสองขวบเขาคิดว่าเป็นมนุษย์ต่างดาว <c oughs> เขาเกิดมาไม่เคยเห็นเขาก็วิ่งไปกอดยายหน่อยเป็นแม่เขานั่นเขาก็รู้สึกปลอดภัยนะมันเป็นการดับความกลัวชั่วคราวนั่นคือตัวสตินะตัวสตินะพุโทโธคือเป็นการเจริญสติเป็นการฝึกสมถมกรรมฐาน โดยอาศัยลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะซึ่งถ้าในในสี่กรรมฐานแล้วเนี่ยมันก็คือหมวดอาณาปานาสตินะโดยอารมณ์หายใจเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติเราเรียกว่าอนุสติเป็นอนุเป็นสติเล็กๆซึ่งอยู่ในหมวดของสมถกรรมฐาน40่ของกรรมฐานนะทีนี้ครูบาอาจารย์เราเนี่ย เผยแพร่กันมาโดยเฉพาะถ้าเร า, เราจับประวัติศาสตร์ได้ก็คือร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยหลวงปู่มั่นเราเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ในภาคอีสานของเราเนี่ยท่านก็ตั้งทฤษฎีพุทธโธขึ้นมาโดยอาศัยว่าเออลมหายใจเข้าเรียกว่าพุทธนะโธออกนะเพื่อให้จิตเรามีที่เกาะที่ยึดเห็นไหมพอเรายึดนา น, านเรากรู้สึกว่าเรามันก็สงบนิ่งไงเพราะเราลืมความคิดเวลานั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือจับพุทธโธ เมื่อสงบนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจแล้วเนี่ยนะมันก็เขาเรียกว่าอะไรความฟุ้งซ่านก็ไม่เกิดเพราะเราเลิกคิดนะอันนั้นเป็นบาทฐานเบื้องต้นเพื่อรวมพลังจิตเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจนะซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นบาดฐานเบื้องต้นในการเจริญกรรมฐานกรรมฐานก็คือเขารวมด้วยสัมม ะ, ะแล้วก็วิปัสสนาสั ม, มะถะทัตให้เราเกิดความสงบ วิปัสสนาทำให้เราเกิดปัญญาแต่ถ้าเราจับพุทธโธอยู่นั่น38ปี4ี่สิปี5้าปีแล้วก็ไม่วางก้าวไปข้างหน้านะเราก็ได้ความสงบชั่วคู่เพราะเลิกจับพุ๊ธก็วีนอีกนะอันนี้ต้องเข้าใจว่าครูบาอาจารย์ท่านใช้อุบายนะั้นจริงๆแล้วคำว่าพุทธโธนะคำว่ายุบหนอพองหนอก็ดีเนี่ยไม่มีพระไตรปิฎกก็ไม่มีนะพระไตรปิฎกมีคาว่าพุทธานุสติ ธรรมานุสติสังคานุสตินะเป็นอยู่ในหมวดของอนุสติสิบนะกายัคตาสติอานาปนาสตินะอันนี้คือเป็นการเจริญอนุสตินะแต่พุทธานุสติในในในหมวด4ี่สิบกรรมาฐานเนี่ยหมายถึงว่าเราลืลึกถึงออครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลืลึกถึงคุณพระพุทธเจ้านะ เราเ ล, ลึกถึงบุญคุณของพระองค์เนี่ยพระองค์ยิ่งใหญ่มากพระองค์มาชี้ทางให้เราก็เหมือนเราตกใจกลัวแล้วก็พุดโธนั่นแหละเพราะว่าเขาก็พูดสั้นๆว่ามันเป็นพุทธานุสติอันนี้ไม่ใช่ตามลมหายใจนะอันนี้คือราลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าทำมานุสติและเลึกถึงคําสอนพุทธเจ้านะสังขานุสติและเลึกถึงสาวกพุทธเจ้าท่านบรรลุธรรมตามมานะ คือภรริยสงฆ์ต่างๆเพื่อให้เรามีที่ยึดเหนี่ยวเป็นสารณะมันไม่ใช่ตามลมหายใจนะส่วนตามลมหายใจนั่นเป็นอาณาปานสตินะลมหายใจเขา้าสั้นก็รู้ยาวก็รู้เป็นอุบายเป็นเทคนิคที่ทําให้จิตเรามีที่เกาะเกาะไปเกาะมาเกาะไปเก า, า, เาะมาพึเขาก็ลืมความคิดพอละวางความคิดมันก็สําเสร็จอารมณ์ว่างมันก็เกิดขึ้นความสงบก็เกิดขึ้น นั่นคือเป้าหมายของการเจริญสมถกรรมฐานอันนั้นคือบาดฐานเบื้องต้นเมื่อรวมพลังแล้วเนี่ยจิตพร้อมที่จะเดินทางไกลนะคือเข้าไปในจิตในจิตไปเจริญวิปัสสนานะไปเจริญวิปัสสนาแต่ทาไปทามาแล้วก็เกาะตรงนั้นเกาะเกาเหมือนเด็กเนี่ยเกาะคุณพ่อคุณแม่เกาะเอ คุณพ่อคุณแม่อย่าพูดมากนะตอนนี้เขาเสียหลีนะฉันจะไปเที่ยวเทกนะเป็นสิทธิของฉันก็ไปสิกลับมาขอตังค์หน่อย <c oughs> แล้วเมื่อไหร่มันจะโตเราไม่เคยพึ่งตนเองเลยเห็นไหมเห็นเรียนจบปริญญาโทรปริญญาเอกแล้วโอเคเป็นนักวิชาการออกมายังขอเงินแม่ไปซื้อรถเกง๋งขอเงินแม่ไปแต่งงานเราจะไม่ไปวันเข้มแข็งนะ เอาเป็นว่าตอนที่เราเป็นเด็กๆจิตมันจะเป็นเด็กๆจิตยังไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็ต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่เกาะน่วนเกาะนี่กรคำาฐานคือฐานที่ตั้งแห่งการดําเนินตอนนี้เรากลงหายใจส่วนเราจะตั้งชื่อว่าพุทโธธรรมโมสังโฆอะไรกัแล้วแต่ก็ตั้งไปมันเป็นอุบายวิธีซึ่งมันเป็นเทคนิคนะเพื่อทําให้จิตเนี่ยมีที่ยึดแล้วก็รวมพลังจิต นะเมื่อมันมีพลังแล้วมันก็ก้าวไปสู่จเจริญวิปัสสนานะสมมถากรร ม, มฐานนี่สูงสุดก็คือฌานสีนะ่เรียกว่าเอกคตาลนะเริ่มจากเราต้องผ่านอารมณ์วิตกวิจารปิติแม้กระทั่งความสุขก็ต้องไปติดมันต้องผ่านมันเข้าไปสู่อารมณ์เดียวคือความอุเบกขาก็คือว่านิ่งนะเป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละพร้อมที่จ ะ, จะเจริญวิปัสสนา นะต้องเข้าใจตรงนี้นะก็บอกว่าพอเราตกใจปุบพอเรานั่งวิธีไหนก็ช่างเรานั่งนานๆเนี่ยพอมเกิดพลังพุ๊บจิตมันจะหมุนมันจะปลดปล่อยตัวเองครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่มัน่นหลวงพ่อชาอาจารย์มหาบัวเนี่ยหมุนติ้วต้วเราเบิดเลยทุกคนเป่องออกมาเหมือนกันเพราะครูเข้าใจตรงนั้นเพราะครูเห็นตรงนั้นมาแล้วนะมันหมุนติ้วคือแรงเวียงนี่ยทำลายสนามแม่เหล็ก พลังงานทุกอย่างมันต้องหมุนโลกหมุนรอบตัวเองก็หมุนรอบดวงอาทิตย์เพราะว่าพลังของเราไม่พอเราถูกแรงดึงดูดของจักรวาลแล้วก็อยู่ในวงจรของมันเหมือนตอนนี้จิตเราเนี่ยยังอยู่ภายใต้อานัตของอยายตนะเรายังไม่อิสระจากอยาอยตนะอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะไอ้ใจเนี่ยตัวลายดีใจก็ลงใจเสียใจก็ลงใจ ตกใจก็ลงใจมันดึงจิตเราไว้จิตเราไม่อิสระนะโอ้สวยๆนะเห็นไหมให้ตัวรูปมันดึงให้เราไปติดมันโอ้เพราะเพราะเพลงนี้เพราะเพราะฉันก็ชอบชอบพอกาลังชอบอยู่เขาด่ามาตู้มเลยความสุขเมื่อกี้นี่หายไปเพราะจิตเราไม่แข็งแรงยังอยู่ภายใต้อายตนะนะก็ อุบายวิธีในการฝึกสัมมาทากรรมาฐานหรือปัสนากฎีเนี่ยเริ่มจากทำให้จิตสงบนิ่งมีพลังนะสงบสูงสุดคือฌานสี่คือเอกคะะตาลมนะต้องข้ามพ้นอารมณ์วิตกวิจารไม่กระทั่งปิตินะรู้เท่าทันมันแต่ไม่ไปติดมันข้ามไปถึงสุขเมื่อปิติมันก็รู้สึกสุขสุขก็ไม่เอาสุขมันยังเป็นอารมณ์สุขอยู่ยังเป็นตัวหลงติด ถ้าเอกาขาตาลมในปาสจักขหลงมันเป็นความสงบเป็นหนึ่งเดียวเป็นอุเบกขาเหมือนน้มามันนิ่งเห็นไหมไม่ต้องทําอะไรนะน้ําไม่ต้องฝึกสมาธินะอย่าไปรบกวนมันเท่านั้นเองมันนิ่งตามธรรมชาติมันถูกแรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันดึงลงดึงลงมันก็นิ่งฝุ่นละอองเม็ดนิดหนึ่งร่วงลงมาปึ๊บมันก็สัมผัสได้แม่กับเพื่มเห็นไหมวิปัสสนามันเกิดแล้วใบไม้ลงลงมาปึ๊บเราก็สัมผัสได้ ถ้าจิตเราถึงขั้นเอกคตารมณ์มันเป็นแบบนั้นและอารมณ์ต่างๆในตัวเราเกิดขึ้นเนี่ยอารมณ์ข้างนอกมากระทบอารมณ์ข้างในโผล่ขึ้นเราเห็นมันชัดมากนั่นแหละวิปัสนาคือรู้แจ้งเห็นจริงรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปเล่นกระดานโตขึ้นที่ที่ทะเลเนาะกำลังสนุกสนานกับเต้นมันอยู่บางคนสํำลักน้ําขึ้นมาก็ยังสนุกอยู่เพราะว่าเราถูกความสนุกครอบไว้เรกขาดสตินะเพราะเราเรามีความสนุก เขาพยายามฆ่าเราเขาโยนหินลงมาตุ้มตุ้มตุ้มุ้อยู่งหลังเราก็ไม่รู้สึกถ้าจิตเรามันไม่สงบนิ่งมันเหมือนที่เราเล่นกระดานโต้คลื่นนั่นแหละนะสติถูกครอบงําด้วยอารมณ์นั่นคืออุบายวิธีในการฝึกสมมถกรรมาฐานเพื่อให้จิตเราเข้าถึงเอกขทารมมันถึงจะเกิดวิปัสนาวิปัสนาทําให้เราเกิดปัญญาก็สรุปตรงที่นี้ว่า เป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนให้เราจบอยู่ที่สติจบอยู่ที่สมาธินะพระองค์สอนให้เราเกิดปัญญาเป็นศาสนาที่ทำให้เราเกิดปัญญาไม่ใช่เป็ศรัทธาแบบหลงมงมงายถ้าเชื่อฉันฉันจะช่วยเธอถ้าไม่เชื่อฉันฉันจะลงโทษเธอนะถ้าจิตเป็นอริยังจริงเขาลงโทษใครก็ไม่เป็นแต่เนื่องจากว่าเขาอาจจะใช้อุบายวิธีพูดกับเด็กๆหน จิตเรามันยังเด็กๆอยู่เขาก็ต้องเอาอยัางง่ายกว่าถ้าเชื่อฉันฉันบอกเธอทําดีเธอก็ทําดีก็มีประโยชน์ระดับหนึ่งเป็นอุบายนะแต่สุดท้ายมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันตันเนมันไปไม่ได้เพราะมันไม่มีปัญญาเหมือนเราพึ่งพุโทโธนั่นแหละนะพุโทโธเป็นอุบายวิธีให้เรามีที่เกานะไงพอตกใจปุ๊บคิดถึงพุโทโธเลยพอนั่งไปนั่งมาเพราะไอ้จิตมันกำลังหมุนนะอารมณ์บูบมันเกิดขึ้นเฮ้ยฉันอย่างร้องไห้เลยเนี่ยกลัวมากพุโทโธ ไปดึงปุ๊บไอตัวหมุนนั้นแฟบเราพลาดโอกาสละเพราะครูถึงบอกว่าถ้าวันนั้นไม่มีพุทโธเป็นสารณะก็ไม่มีวันนีน้ตัวนั้นคือตัวสติทําให้เราแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าวันนี้เราไม่วางพุทโธเราก็ไม่มีวันข้างหน้าซึ่งเป็นวันที่เราจะอิสระเพราะเราจะไม่โตสักทีหนึ่ง แต่ต้องฟังดีๆนะพรากูไม่ได้บอกว่าพุทโธไม่ดีพุทโธเป็นบาทฐานเบื้องต้นสนมถะกรรมฐานเป็นบาทฐานเบื้องต้นเพื่อก้าวไปสู่วิปัสสนานะอันนี้ก็สุดท้ายมาเกิดวิปัสสนาแล้วเนี่ยจิตเข้าไปสู่จิตในจิตนะเมื่อเราเข้าไปโกดังเราไปเข้าไปในเว็บไซต์เรานะเข้าไปในโกดังเก็บอารมณ์เราโกดังที่มันบันทึกสัญญาเรื่องกรรมดีกรรมชั่ว นะเราก็เข้าไปขัดเก่ามันออกมาแล้วก็เรียนรู้กับประสบการณ์ตรงนั้นนั่นแหะคือเกิดปัญญาจิตปัจจุบันมีโอกาสไปเสพไปเรียนรู้กับอดีตที่บันทึกไว้ในจิตใต้สํานึกเราเมื่อมันเกิดปัญญาแล้วเนี่ยมันก็รู้ว่าโอ้ต้นเหตุมันคืออะไรนะจริงๆแล้วไม่ใช่กิเลสตัณหาอุปท า, านนะคือผู้เจ้าตัดเรื่องอริยสัจสีว่าทุกสมุทัยนี้โลภมัจนะ อะไรคือตัวทุกข์นะสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ใช่ธรรมชาติคือตัวทุกข์หมดถ้าไปหลงมันนะนะสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์นะคือตัวตัณหาเนี่เป็นที่มาของทุกข์แต่ถ้าเราจเจริญสติเรารู้เท่าทันอารมณ์ของกิเลสปุ๊บเนี่ยกิเลสมันเกิดเรารู้เท่านั้นก็ดับมันพัฒนาสู่ตัณหาไม่ได้อุปทานก็ไม่เกิด ทุกก็ไม่เกิดถ้าเราทําได้แค่นั้นเวลานั้นเราไม่ทุกข์แต่ยังไม่ใช่เป็นคนพ้นทุกข์เพราะไอ้เชื้อที่ทําให้เราทุกข์มันยังมีอยู่กระแสะกรรมยังมีอยู่นะอัตตาเรายังมีอยู่นะแต่ทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ เ, เมื่อจิตมันเกิดปัญญาแล้วนะโอ้ต้นเหตุคือมีอัตตาจิตมันมีอัตตานะเป็นตัวเกาะยึดของกิเลส กิเลสคือที่มาของตัณหานั่นแหล ะ, ะตัณหาคือที่มาของอุปทานอุปทานคือที่มาของทุกข์อยากได้พอได้มาปุ๊บอุปทานโอ้โหมีความสุขมากเลยพอเขาแย่งไปปุ๊บก็เกิดทุกข์นะนี่คือกระบวนการของมันแต่ทีนี้ผู้เจ้าบอกดับทุกข์ดับที่ดับตัณหานะไม่ใช่ดับกิเลส น, น ะ, นะกิเลสดับไม่ได้ มันเป็นความเคยชินของเราแล้วเพียงแต่ว่าเรามีสติรู้เท่าทันมันนะมันก็พัฒนาสูตรตัญหาไม่ได้อุปทานก่ถ้าเราทำได้อย่างนี้บ่อยๆๆๆเราก็ไม่ทุกในเวลานั้นแต่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไอ้กล่องบันทึกสัญญากล่องบันทึกนี่กำรลมันยังอยู่นะเมื่อจิตมันทำไปเรื่อยมันเห็นโอ้ต้นเหตุคือไอ้ตัวนี้มันก็จะระเบิดที่ว่าหมุนติ้วๆระเบิดเลย มันทำลายอัตตาตัวนั้นเข้าไปสู่สุญญาตาคือว่างจากอัตตาตอนนั้นปลอดภัยกิเลยังอยู่นะนะพระหันจี้คงกินเหล้านะกิเลตแต่ไม่เนื่องด้วยตัณหาครูบาอาจารยุกเราเนี่ยพระริญาสงหลายรูปเนี่ยส่ บ, บุรีนะสู่ตามกิเลสแต่ไม่เนื่องด้วยตัณหาเรากินข้าวนี่กิเลตเราพอหลังกินขนมปังกิเลตเขา แต่ถ้ากินข้าวเพราะกินข้าวไม่เนื่องด้วยตัณหานะ่อุปทานก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดนะแก้ที่ต้นเหตุนะตอนนี้ฟังพ่อครูเข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้นะมันก็ยังทำไม่ได้หรอกอย่าบังอาจไปทำลายอัตตาตัวเองนะไปคิดเอาเองว่าฉันระเบิดฉันระเบิดนะอันนั้นมีปัสสนึกมันนึกเอามนะมันคาดคะเนจิตนาการเอาปฏิบัติไปเรื่อย จิตไม่ต้องไปสั่งจิตหรอกเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วนะเขารู้ว่าเขาจะทำอะไรแต่ตอนนี้กำลังเขาไม่ยังไม่ถึงเราก็สะสมแต่งไปเรื่อยๆนะเมื่อถึงเวลาหนึ่งแล้ว <c oughs> มนุษย์เราเนี่ยอย่าบังอาจทำให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเราไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้น สิ่งนั้นเขาจะเกิดขึ้นเมื่อเขาจะเกิดขึ้นแต่มนุษย์เราเนี่ยมีหน้าที่เตรียมความพร้อมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นก็ทำไปเรื่อยๆศรัทธาในสิ่งที่เราทำเมื่อเราตั้งมั่นศรัทธาเราก็มีวิริยะจิตมันก็ตั้งมั่นไม่วอกแวกเมื่อมันตั้งมั่นจดจ่อเดี๋ยววิมังสามันก็เกิดขึ้นตัวปัญญามันก็ไหลมาเทมาไม่ใช่เราไปคิดให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่ไปสร้างมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเต็มเปียม เพียงแต่ว่าเราเอาขัดเกาเอาความรู้ผิดเนี่ยเอาวิชาต่างๆออกมาเหมือนเปิดฝาให้มันเปิดมากให้มันุมันก็จะแสดงตัวนะต้องศรัทธาในสิ่งที่เราทำข้อสี่เวลาอยู่ในจิตรู้สึกว่างพอออกไปใช้ชีวิตทำงานอารมณ์สงบว่างก็ยังอยู่ตลอดเวลาอารมณ์แบบนี้เป็นการเจริญมากหรือเปล่า ทีนี้การเจริญมรรคเนี่ยแบ่งเป็นสองขั้นตอนการเจริญโดยที่กำลังฝึกอยู่นะเรากำลังเจริญมรรคอยู่ถ้ายังไม่สมบูรณ์นะเราก็นเจริญมรรคก็คือมรรคภายนอกก็คือทานศีลภาวนาการให้ทานการอะไรเนี่ยเป็นการขัดเกาีความโลภความตณีเราเป็นการขัดเกลวตัวโลกนี่ น, นะศีลนี่เป็นการป้องกันไม่ให้มันเปื้อนอีก การเจริญภาวนาคือขัดเกลาจิตให้มันผ่องใสเราก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะอันนั้นคือการเจริญมดส่วนพระพุทธเจ้าเองเจ้าชายสิทธาเนี่ยวันที่พระองค์ตัดสรู้รมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันวิสาขบาูชา น, นนะอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรเรียกพระอราหันต์เรียกว่าสภาวะนิพพานนะเรียกว่าจิตพระองค์เนี่ยเป็นเจ้าแห่งพุทธ ขยบังอาจไปเปรียบเทียบเนาะพระองค์สะสมมาเยอะมากพระลหันทุกลุปเหมือนกันหมดอย่างเดียวเท่านั้นก็คือพลทุกแต่ปัญญาเนี่ยต่างกันนะก็คือหลังจากวันนั้นมาแล้วเนี่ยจากวันวิสาขานั้นมาแล้วพระองค์ไม่ต้องเจริญมกักแต่จิตพระองค์เนี่ยเป็นมัจตลอดวิถีที่เหลือนี่เป็นมกักโดยไม่ต้องเจริญนะมันเป็นอัตโนมัต ส่วนช่วงที่เราฝึกเราเจริญมรรคพอเร า, เร า, เราเอารมณ์ตอนนี้มันเกิดขึ้นถ้ามันมีพลังแรงกล้าเราเออกไปใช้ชีวิตปกติมันก็ยังอยู่กับเรานั่นแหะมันก็ยังอยู่ในมรรคในทานอยู่นะอันนั้นเป็นเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราหลุดจากมรรคเราไปทำอะไรที่สนองความอยากเมื่อไหร่อารมณ์ที่มันอยู่กับเราเดี๋ยวมันก็หายไปนะแต่ถ้าเราสารวมระวังเนี่ย อย่าหลุดจากมักจากทางเนี่ยอารมณ์นั้นจะอยู่กับเรายาวขึ้นยาวขึ้นแล้วก็แข็งแข่งขึ้นอะไรตอนนี้เราเราอย่างนี้เรารู้สึกเรานิ่งบังเอิญไปเจอไอ้ลูกโตโตไอ้กระแสกรรมมันโผล่ปึ้งขึ้นมาบังเอิญถ้าแรงมันมากกว่าไอ้ตัวนั้นก็หายไปเหมือนกันมันยังไม่ปลอดภัยนะยังไม่อยับประมาทนะพุทธองค์ตัดสั้ทําเป็นสัมมาเวชเจ้าอยู่เหนือบุญบาปแล้วไม่ต้องสร้างบา ร, รมีอีกแล้วเนี่ยเวลาที่เหลือพระองค์เนี่ย ศาสนาเอาสร้างศาสนาขึ้นมาเผยแผ่โปรศัตว์อีกสี่สิบห้าพรรษาสิ่งนั้นเรียกว่าทำเพราะทำทำเพราะทำธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรร ม, มะไม่ใช่ภาระหน้าที่แบบพวกเราภาระหน้าที่ไปแบกไปหามนั่นนะอันนี้มันเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติมันเป็นถ้าเป็นว่าเป็นเป็นสัญชาตญาณของจิตซึ่งบริสุทธิ์แล้ว เขาไม่ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยใช่เหเขาก็ใช้สังขารร่างกายเนี่ยทำหน้าที่จนวินาทีที่เราละสังขารเรียกว่าปาริณิพานตอนนั้นก็ไม่มีกิจที่ต้องมาเวียนไห้าตายเกิดในสามโลกธาตุนี้นะอันนี้อีกข้อหนึ่งปฏิบัติจนเข้าไปในจิตได้แล้วแต่ทำไมออกไปใช้ชีวิตยังแก้ปัญหาเองไม่ได้ ข้อนี้กับข้อเมื่อกี้นี้สวนทางกันนะก็คําตอบคือว่ากําลังยังไม่ถึงไม่ใช่ว่าเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยบอกบรรลุธรรมแล้วไม่ใช่นะคําว่าจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่บรรลุธรรมนะมันจิตหลุดพ้นออกมาจากการปรุงแต่งของใจในเวลานั้นนะเพราะกําลังมันมากกว่าใจมันก็เข้าไปในจิตในจิตได้อันนี้เราเข้าไปในกระแสดวงตาเห็นธรรมคือเห็นจิตจิตเห็นจิตคือมรรค อันนี้เป็นแค่เข้าไปในกระแสมรตเราเจอทางเดินแล้วเห็นไหมไม่ใช่เข้าไปแล้วเห็นจิตแล้วทําไมออกมาก็เรายังไม่เหมือนเราเห็นธรรมแต่ยังไม่บรรลุธรรมทีนี้อย่างน้นอยบนบรรลุมันมีหลายขั้นบนรรลุขั้นขั้นต่ําสุดก็คือโสดาปฏิมรตเห็นไหมอย่างน้อยน้อยเราเข้าไปกระแสมรตแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าโสดาปฏิมรตถ้าถึงขั้นนี้ละไม่มีนรกอีกแล้ว ไม่มีนรกอีกแล้วโซดาเราขี้เกียจปฏิบัติมากๆเลยสูงสุดอีกแค่เจดชาติโสดาปฏิมักเปรียบเสมือนว่ายกตัวอย่างนะไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าเราจะได้มองภาพชัดถ้าถึงขั้นโสดาปฏิมักเนี่ยเหมือนเรากาลังเป็นนิสิตปริญญาตรีกําลังเรียนปริญญาตรีอยู่ปีหนึ่งปีสองปีสามพอปีสี่ปึ๊บสอบผ่านปึ๊บเราก็ได้โสดาปฏิผลได้ประกาศนียบัติอันนี้อีกขั้นหนึ่ง คู่แรกนะโสดาปิมัคโสดาปิผลเรายังขยันเราเรียนปริญญาโทต่อตอนนั้นเราเป็นนิสิตปริญญาโทกําลังเรียนปริญญาโทนะเขาเรียกว่าสกิทาคามีมัคทางเดินของปัศดิคามีหมายถึงเป็นสภาวะธรรมของจิตดวงนั้นกําลังเรียนอยู่สมมติเราเราจบปริญญาโทแล้วเนี่ยเราก็ได้เป็นพระสกิทาคามีผลอันนี้คู่ที่สองเราไม่พอใจเราเรียนปริญญาเอกต่อ ช่วงที่กําลังเรียนอยู่เราเป็นนิสิตปริญญาเอกเรียกว่าอาาคามีมักทางเดินของพระอาาคามีเมื่อเราจบปริญญาเอกปุ๊บเราได้ปริญญาแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเราก็เป็นด็อกเตอร์เราก็เกิดเป็นอนณาคามีผลเราเป็นพระอาาคามีแล้วอันนี้คู่ที่สมทุกวันนี้ไม่พอปริญญาเอกไม่พอเธอต้องเรียนต้องค้นคว้าวิจัยเป็นรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์ ตอนที่เรากําลังวิจัยทําศาสดาจารย์อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอัลหัตตะมักเป็นทางเดินของพระอรหัตนตะ์เมื่อทําเราสําเร็จแล้วเราเป็นศาสดาจารย์แล้วนี่เรียกว่าอัลหัตตผลคู่ที่สี่สี่คู่แปดบุรุษเป็นสมควรแก่ศักกละและบูชาหมายถึงสภาวะของจิตนั้นไม่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายหรืออาชีพนะ อันนี้ก็เข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเข้าไปจิตแล้วทุกคนบรรลุธรรมหมดเลยอย่าหนีนี่นะอย่าค้ากาไรเกินควรเนา ะ, นะแต่เข้าถึงขนาดนี้ได้แล้วเนี่ยถือว่าบุญเก่าเราไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่เข้าไปแล้วลองขี้เกียจเดินเดียวเห็นไ่มเราอาบน้ำเสร็จมันสะอาดไปทาให้มันเปื้อนก็เปื้อนได้นะดึงเงินชักข็เยอยอยู่อย่างนี้นะ อยู่ข้างนอกเราก็ต้องเจริญมั้ต้องฝืนเกิเลสตัวเองบอกโอ๊ยทำไมแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าไม่มีปัญหามันจะสนุกเหรอการทำงานคือการแก้ปัญหาแต่มันไม่ใช่ปัญหาเราคิดว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็ไปทุกข์กับมัน่ะมันไม่ใช่ปัญหาหไม่หิวก็กินง่วงก็นอนมันไม่ใช่ปัญหานะมันเป็นหน้าที่นะแต่เนื่องจากเราไม่ชอบอะไรไม่ชอบพวกจะบอกฉันมีปัญหา เราคิดตัวเองมันเป็นมโนมันเป็นอุปทานนะการทำหน้าที่การทำงานคือการแก้ปัญหาถ้าไม่มีปัญหาเราก็ไม่มีงานทำแต่มันไม่ใช่ทำให้เราเกิดปัญหามันเกิดปัญหาเพราะเราไปคิดคิดไม่ชอบใจคิดอยากพอไม่ได้สมอยากก็บอกว่าเราแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าเราสนองความอยากนะชาตินี้กี่ชาติเราก็แก้ปัญหาไม่ได้ ปัญหาใหม่มันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาเนาะอันนี้ก็อย่าเข้าใจว่าเข้าไปในจิตแล้วดวงตาเห็นธรรมคือเราเห็นจิตแล้วเราเข้าสู่กระแสมารกแล้วเราก็ต้องขยันเจริญมารกนะก็เดินต่อไปนะส่วนใครจะขั้นไหนขั้นไหนไมันไม่สำคัญหรอกเราไมไ่ปฏิบัติเพื่อเราจะเป็นอะไรนะเป็นอัตตานะ ยังเป็นอยู่มันมันพ้นทุกข์ไม่ได้แต่ภาษามันบอกไงเขาก็ชี้ว่าเออมีกี่ขั้นกี่ขั้นอันนี้เรียกว่า เ, ออเป็นภาษากิตคาเมนะเป็นพระอนาคามีเป็นอหรหันต์ภาษาพูดมันเป็นถ้ายังเป็นอยู่มันเป็นอหรหันต์ไม่ได้หรอกนะเป็นแต่ว่าภาษาพูดเราก็พูดไปอย่างนั้นแต่พ่อครูช่วยอธิบายมรคภายใน มักภายในเกี่ยวกับเรื่องสัมมถาวิปัสนาอย่างเดียวนะมากภายนอกอนไอเมนะเรามีเรื่องทานนะเรื่องถือศีลอันนี้เป็นอุบายวิธีที่เป็นตัวเตือนสติให้เราเนี่ยต้องทำนะทำดาทำทานบ่อยๆสลัดความรวกความตณีออกนะแล้วก็ต้องถือศีล น, นะไม่ไม่ถือศีลแล้วเผลอๆจะไปสร้างกรรมใหม่อีกนะแล้วก็บอกเราต้องเจริญภาวานานะ าเป็นการบอกเก่าเป็นการเตือนสติแล้วก็ชีวิตเราก็อยู่ในมรรคในทานหนะ่นี่คือมรรคภายนอกนะส่วนมรรคภายในเนี่ยพาะครูเห็นเรื่องนี้ชัดมรรคภายนอกเนี่ยสี่สิบปีพาะครูวิ่งไปตามโลกไม่มีมีแต่มรรคมากไม่ใช่มรรคเพื่อพ้นทุกข์นะมีแต่มรรคมากนะสินห้าบอกไม่ให้ทำอะไรลุยหมดเลยเละตุ้งเปะ๊ะนะบุญเก่าทั้งนั้นแหละถึงรอดมานั่งอยู่ตรงนี้ เพื่อนพระกูลุยๆเก่งๆมันไม่ใช่ไปสวรรค์หรือไปนรกกันหมดอะนะเป็นมะเร็งเป็นอะไรเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าพวกเราแรงมากนะเราไม่อยู่มักพราะกูไม่มีมักภายนอกไม่มีเอาเป็นว่าไม่มีศีลห้า ก, ก็ยังไม่มีเลยจะไปมีมักได้ยังไงเนาะแต่ทีนี้สามชั่วโมงที่มันเข้าตรง น, นั้นมันระเบิดตุ้มปุ๊บยี่สบกปีอยู่ที่นี่ข้างนอกมันกลายเป็นมักหมด เมื่อจิตมันเข้าถึงตรงนั้นแล้วธรรมชาติของจิตเนี่ยเอาละพะ่อครูลองฟังมาเริ่มต้นนะพ่อครัวเออเราหยุดหาเงินแล้วมาอยู่ในป่าแห่งนี้ไฟฟ้าก็ไม่มีพ่อครูจับงานเกษตรก่อนเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจทํามาหากินไม่ใช่ทํามาหาขายทําอยู่ทํากินทําทานทําเพือ่อทำมันออกมาเองนะก็เขียนป้ายเขียนป้ายติดอยู่ตามต้นไม้นะ่ะนะ หลายท่านก็เข้ามามันนั่งจดจดจดพวกครูคิดได้ยังไงบอกถ้าคิดแล้วมันไม่มันมันคิดไม่ได้มันออกมาจากข้างในอาจารย์มหาศรีภัยเนะี่ยยี่สิบกว่าปีก่อนเนี่ยมาอยู่กับพ่อคูสามบรรษาก็ไปเที่ยวในไร่แหลมทองท่านจดหมดท่านท่านไปดูพฤติกรรมทุกหมดท่านบอกนี่มัดทั้งหมดเลยเนี่ยพราครูถามว่าพระอาจารย์มักมันคืออะไรพ่อครูไม่รู้หรอกมักตัวหนังสือสี่สิบปีรู้แต่มัดมากๆ ยกตัว อ, อย่างนะเราทำกเกษตรเพื่อชีวิตนี่คือสัมมาทิฏฐิถ้ากเกษตรเพื่อธุรกิจมันสนองความอยากต้องรวยขอนคดบงหลวงชีวิตเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็งออกมามันทำเพื่อชีวิตไม่ใช่เที่ยวธุรกิจมันทำมาหากินไม่ใช่ทำมาหาขายทุกวันนี้เราซื้อเราขายต้องการรวยนั่นแหละพอขายขาดทุไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามากินไหม มันเป็นมิจฉาทิฏฐิทุกอย่างเพราะครูมาใหม่ๆที่นี่นะเขาปลูกแตงโมปลูกฟักแฟงมันฉีดยากันว่าเล่นมแลมลงก็วิง่งเข้าไปในไร่เราพี่โน่นพ่อครูห้ามปุ๋ยเคมีก็ไม่ใช้เพราะเราไม่ต้องทำให้มันสว ย, ยงไงเห็นไหมสมาชิกในครอบครัวเนี่ยนารอนเนี่ยเป็นผู้จัดการไร่ แกคุยกับพ่อครูแกบอกว่าบอกแกหน่อยเนะี่ยขอใส่ปุ๋ยก็ไม่ใส่ฉีดยาข้ามมะแรงไม่ฉีดแกบอกจะได้กินเหลือแต่ก็ดึงแขนพ่อครูไปดูต้นมะม่วงปลูกกาลังสวยๆนะใบสวยๆออกมาไอ้มะแรงช้างเขียวๆเนี่ยมันกินจนหมดเลยเดีือดแต่ก้านแ ก, นกนบอกแะบอกชี้เห็นมาเห็นไหมเห็นเห็นชัดเลยนารอนเห็นไหมแกก็มองหน้าพ่อครูนี่ไงนี่แหละถ้าปลูกให้มันกินไง ออคุณยายก็มีหน้าที่ปลูกผักก็เหลือแต่การประชุมกันทุกคนลุมกินโต๊พะพ่อครูคนเดียวว่าพ่อครูเป็นบ้าสงสัยไม่มีอนาคตแล้วใช่ไหมเพราะทุกคนอยากมีอนาคตไงคุณยายก็ถามพ่อครูเขาบอกว่าปลูกก็ปลูกเขาเข า, เขารู้ว่าพ่อครูมีกินเขามีกินนั่นแหละแต่เขาบอกว่าทําอะไรโง่ๆทําไมล่ะทําจนเหนื่อยตายแล้วมันก็ไม่มีผักกินไง กูบอกคุณยายถ้าให้อนุญาตคุณยายนะใส่ปุ๋ยนี่สวยมากเลยนะไอ้ปุ๋ยนี่มันมันมีนกลิ่นนะมันยิ่งดึงแมลงมาเยอะเลยนะโอ้อก็ฉีดมันเลยแมลงกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงมึงจะมาแตะต้องของกูนะ <S <S เออผักสวยมากเลยแล้วคุณยายประเด็ดผักไปเลี้ยงพระที่วัดคิดว่าได้บุญเหรอฆ่าพระผ่อนสงบาปกรรมปลูกให้มันจินมแมลงอ่ะสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นได้บุญทุกวันคุณยายไม่ดีใจเหรอ <c oughs> บางเอินเขาทิ้งพ่อครูไม่ได้เนี่ยหลัก <c oughs> เขาถึงอุตสาอยู่ทุกวันนี้ <c oughs> ทีนี้เมื่อเราไม่ฉีดปุ๊บเนี่ยตอนนี้ต้นนม่วงเป็นยังไงมันขึ้นช้ากว่าที่อื่นแต่มันดูดซับอาหารมากกว่าคนอื่นนะอย่างคนอื่นเขาห้าปีออกลูกและ้ะบางทีสามปีมันเร่งมันก็ออกแ ล, ะละ้วล่ะของเราเกือบเจ็ดปีนะแต่ปีนั้นมันออกทีแรกโอ้โห น้ำดอกไม้เนี่ยเต็มไม่หมดเลยนะแล้วรสชาติมันนี่เป็นแบบรสชาติดีมากเพราะมันเป็นมันค่อยๆโตไงนะแล้วพวกเด็กๆในไร่เนี่ยมันก็ปล่อยมันทิ้งหล่นไปหมดเลยนะแต่ไม่ได้เสียหายหรอกมันก็หล่นลงมามันก็เป็นปุ๋ยให้ต้นแม่มันไงแต่พ่อครูก็แกล้งใช้ว่าให้บาปนะคนอื่นเขาไม่มีจะกินอนะ ไปให้ไปไปปีนี้เก็บเดี๋ยวพ่อคูจะพาไปในเมืองนะเขาประกวดมะม่วงอะไรเนี่ยเมื่อต้องประกวดกับเขาปวดเราที่หนึ่งแน่นอนนะแต่บางลูกมันก็มีหนอนกินนะเออแต่ลูกไปจะพาไปขายแบ่งคนดีๆไปให้คนอื่นเขากินไม่ใช่เก็บมะม่วงง่ายๆนะที่ไล่นะใครเคยไปเก็บก็เคยนะ ไม่ต่อยต่อยยนี่แมลงไอ้ไอ้ไอ้มดแดงก็วิ่งเข้ามาเลย <laughs> มึงเอาของกูเหรอเพราะเราไม่ฉียดยางไงเออแต่ชาวบ้านนี่เขาก็ไปเขาไปไม่ไเอามะม่วงนะเขาไปเอาไข่มาไข่มดแดงยิ่งราคาแพงกว่าอีกเห็นไหมาล่ะ <laughs> ปีนั้นเอาไปขายนะปอเนี่ยครูปอเป็นผู้จัดการสมัยก่อนยังเป็นเด็กเด็กวิงเรียนอยู่เนี่ยก็บอกหนูซื้อมะม่วงหน่อยกิโลหนึ่ง ไปเดินดูนะบกเขาขายกิโลยี่สอย่าไปขายแพงกว่าเขาตั้งยี่สิบเหมือนกันเขาบอกกิโลหนึ่งมันยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้ลูกนี่กิโลครึ่งนะเราขายยังไงใช่ไหมให้เขาลูกหนึ่งแถมอีกลูกหนึ่งโดยป่ากิโลหนึ่งยี่สิบบาทจนข้างๆมันถามมาหนูถามจริงๆเหรอพวกเธออาชีพอะไรเห็นไมนี่เกษตรก ร, เ, ร, กรเป็นครั้งแรกที่เราตั้งราคาเองได้ทั้งแจกทั้งแถมเลย ได้บุญเต็มเมเลยเห็นไหมแต่พอสักพักหนึ่งพกกรัวหลายครอบครัวมาอยู่ด้วยกันนะนะแล้วก็คุยกันครอบครัวเนี่ยครอบครัวใหญ่ต้องคุมกำเนิดนะใครแต่งงานก็ช่างมีลูกไม่เกินสองคนเพราะที่มีจำกัด น, นะไม่ใช่ไม่ให้แต่งนะแล้วก็ที่แปลนี้เนี่ยเป็นชื่อองทุกๆคนห้ามขาย ก่อนที่สอประกอจะมาทํานะเพราะครูอยู่ตั้งแต่สอบประกอบยังไม่มาเลกมันเป็นที่ทํากินที่ทางทหารเขาจัดให้เราแล้วก็ทํากินมีข้อตกลงในครอบครัวว่าห้ามซื้อห้ามขายรักษาไว้ถึงลูกถึงหลานนะมีสองครอบครัวก็หาพระคููบ้านบอกไม่มีอนาคตมันก็หนีไปไม่ถึงสองปีนะครอบครัวหนึ่งลูกชายก็ติดเหล้าติดยาเสพติด อีกครอบครัวหนึ่งไปติดเหตุแล้วมาติดเมียด้วยตายหมดเพราะว่าอยู่เขาบอกว่าอยู่ที่นี่มันไม่อิสระไงทำอะไรก็ไม่ได้นะพรากูเคยถามว่าทาไมไม่อิสระเขาบอกไม่ทำอะไรก็ไม่ได้เขบนนาบอกผิดศีลเนาะเพราะกูบอกเอามีไก่สองตัวนะตัวหนึ่งเอาอยู่ในซุ้มนะเอาซุ้มคอบมันไว้ อีกตัวหนึ่งอิสระมากทำมาหากินพอเสือมาตัวหนึ่งถามว่าใครตายก่อนไอตัวข้างนอกมันตายก่อนแต่อตัวอยู่ในซุ้มนั่นไม่ใช่ห้องขังมันเป็นเกาะป้องกันภัยแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้นี่ผ่านไปยี่สิบหกปีคูโก้เพราะครูมาจากอเมริกาใหม่ๆนะปากแดงผมยาวส้วนสูงสวยๆถ้าไม่ดึงเข้ามานี่อาจจะเป็นเออดตายแล้วก็ได้ ตอนนี้เป็นผู้บริหารโรงเรียนไงเป็นประธานมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์ประหลานก้อยเป็นผู้เป็นคนกันหมดนะอย่าไปเข้าใจผิดนะศีล น, นี่ไม่ใช่ห้องขังเป็นเกราะป้องกันภัยนะทำให้เราไม่ต้องไปติดยาเสพติดไม่เป็นหนี้เป็นศีลไม่เป็นท่าของสังคมนั่นแหละเสรีอิสระมาก เหมือนเสรีทําอะไรตามใจเองแต่ว่าติดเป็นหนี้เป็นศีลเป็นเอตรเป็นติดเล่าติดอะไรมันอิสระหรือเป็นทาดของมันน่ะนะอันนี้ก็เมื่อกี้นี่ถามอะไรก็ไม่ลืมไปแล้วเนาะก็ดึงมาเออนี่คือมรรคภายนอกทุกอย่างเมื่อข้างในมันเป็นมรรคแล้วพฤติกรรมเราเป็นมรรคหมดโดยที่เราไม่รู้ตัวหนังสืออาจารย์มหาสีไพเขาเขียนได้พระคดูเนี่ยเออมรรคมีองค์แปดมีกี่ข้อ เห็นชอบดํารีชอบวาจาชอบอาชีพชอบการกระทําชอบนะความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบแกบอกในไล่ที่เป็นหมดเลยเห็นไแต่ทุกวันนี้เราเราเจริญมักเราถือศีลถือถือหลุดหลุดเห็นถือถือหลุดหลุดไงเพราะมันไม่ใช่ของจริงยี่สบกปีของพระครูเนี่ยไม่ต้องถือศีลเลยมันหนักเบี่ยงทิ้งหมดแล้ว บางคนตกใจนะคนไม่มีศินมาแสดงธรรมแต่ยี่สบกปีนี้มันไม่ทําชั่วแน่นอนไม่ว่าต่อหน้ารับหลังเพราะมันไม่มีความอยากมันไม่มีอนาคตแล้วแล้วมันจําเป็นทําไมต้องไปผิดศินละ่ะจิตมันแก้ที่ต้นเหตุของมันเห็นไหมทาซานมีศินห้าเต็มเปี่ยมเลยไม่ต้องถูกบังคับให้ถือสินห้าเอาเล่าแพงที่สุดนี่ลงให้มันกินมันกินไหมมันโอ้ไม่รู้อะไรไม่รู้เหม็น อบุริบอกหูอะไรยิ่งไม่รู้มไปกันใหญ่เลยถามว่าชาซันเธอจะเอารถเบนไหมมันไม่รู้อะไรมันไม่เอาหรอกมันต้องโกหกไหมมันพูดภาษาก็ไม่เป็นอเพราะมันไม่มีความอยากมันต้องโกหกทําไม่ะศีลคือความปกติของจิตเมื่อมรรคจิตเนี่ยก็คือว่าเราเจริญมรรคเมื่อจิตมันอิสระแล้วนั่แหละก็เราไปเข้าไปสู่กระแสมรรคแล้วก็ว่าเข้าไปสู่กระแสมรรคแล้วจิตเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ จิตปัจจุบันเรามีหน้าที่ปลดปล่อยนะให้จิตเดิมแสดงตัวนั่นแหละอาจารย์เราตื่นแล้วเขาจะมาสอนจิตปัจจุบันให้มันฉลาดขึ้นและพฤติกรรมเราข้างนอกนี่จะเริ่มกลายเริ่มกลายเป็นมักโดยเราไม่รู้ต้องรู้ตัวหนังสือด้วยเพราะครูมารู้ตัวหนังสือทีหลังนะ ตอนไปทําเกษตรใหม่ๆนักวิชากา ร, กรเกษตรก็มาสอนต้องใส่ปุ๋ยยี่ห้อนั้นต้องอันนั้นเธอต้องปลูกต้องกล้วยแซมนะอะไรๆมีแต่เรื่องตัวเงินตัวเลขเท่งนั้นแหะเพราะกูฟังเมื่อเคยทาตามเลยกูจะไปหาเรื่องทุกทําไมเราทําการธาคารเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เอาชีวิตไปทุกเพื่อทํากา ร, กรเกษตรเพื่อไปประกวดได้ที่หนึ่งนะตอนนั้นเราไปดูเขาประกวดนะไ อ, ไอเจ้าที่มันได้ที่หนึ่งนะเขาบอก พก็สว่านี่เป็นลูกค้าชั้นหนึ่งเลยพเพราะกูถามว่าทําไมเป็นหนี้มากที่สุดลูกค้าชั้นหนึ่งนะอย่างนี้ไม่เอาเลยเอาชั้นบวยดีกว่าเออว่าเจ้าของเป็นเจ้าของเงินฝากมากที่สุดเออย่างงั้นเขาค่อยดีใจหน่อยหนึ่งบอกกู้เยอะที่สุดบอกลูกค้าชั้นหนึ่งเออไปกันใหญ่แล้วคือ <c ười> <c ười> จิตพรอครูไม่ทําตามไงเพราะมันเพราะเรนไม่มีความอยากก็จะไปอุค่าฉีดยาค่าสัตว์ค่าสัตว์ เริ่มต้นคุณก็โทษไล้ทารุณแล้วเนี่ยชีวิตคุณจะคุณอาจจะบางทีมันฟุกนะราคาพื่อไร่มันดีอาจจะรวยก็มาก็ได้แล้วคุณก็มารักษาโรคมะเร็งโรคเครียดไงมันเจริญไม่ได้หรอกในแง่ชีวิตนะเห็นไหมจุดเริ่มต้นหนึ่งใครมาขวางของฉันเนี่ยมแมลงเนี่ยเธอบังอาจฉันปลูกแทบตายเธอมากินของฉันทําไมฉันจะฆ่าเธอ <c oughs> แล้วสุดท้ายใครฆ่าใครฆ่าตัวเองไม่พอเนี่ย ยังเอาสารพิษนี่ไปฆ่าคนอื่นอีกเนี่ยบาปแล้วบาปอีกเพื่อความอยากได้นะก็ให้เข้าใจนะทำไมเราต้องเจริญมรรคตอนนี้เราเข้าไม่ถึงมรรคจิตเราก็เจริญมรรคข้างนอก เ, เห็นไมเอาศีลวินัยมาบังคับเราถือถือหลุดหลุดบางทีมือถือสากปากถือศีลเราหลอกคนอื่นได้แต่เราหล อ, อกจิตเราไม่ได้หรอกนะเราบอกจิตเราไม่ได้จิตมันบันทึกไว้เต็มเต็มเลยว่าเธอทาอะไร เห็นไหมแต่มรรคภายนอกไม่ใช่ไม่มีความจําเป็นศีลภายนอกอย่างศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลปัตติโมกเนี่ยก็เป็นอุบายวิธีเป็นการเตือนสติเราเหมือนกฎหมายบ้านเมืองเราก็ต้องมีเราอยู่ร่วมกันเราก็ตกลงกันว่าเออกติกาอย่างนี้นะถ้าเธอขับรถเนี่ยเร็วแค่นี้เนี่ยผิดนะเธอต้องถูกปรับเพราะโอกาสจะเสี่ยงชนกันอะไรแล้วก็ตั้งกติกาแต่กติกาเหล่านี้มันเป็นแค่สมมุติและบัญญับมันไม่ใช่สัจจะ มันไม่ใช่ธรรมะแต่เราไม่ทําลายสมมุติและบัญญตัติถ้าคนไปทําลายเนี่ยเขาก็เกียดเรานะแล้วก็เป็นการสร้างกรรมใหม่นะแต่ไอ้สัญญาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นข้อตกลงพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเห็นไหมเราก็ตกลงเปลี่ยนสัญญาใหม่ได้มันไม่ใช่สัจจะบางคนไปเข้าใจว่าเธอสัญญากับฉันนะเธอต้องมีสัจจะนะสัจจะหมายถึงว่าเธออย่าผิดสัญญานะ ตอนที่เราสัญญากับเขาเนี่ยเราต้องไม่มีเจตนาจะหลอกเขาเอาพรุ่งนี้ไปเจอกันตีห้านะไปแน่นอนนะบังเอิญเมื่อคืนนึงแผ่นดินไหวไงแผ่นดินไหวมึงจะไปยังไงหระไม่ได้ต้องมีสัจจะไปโดดเหวตายเลยเหรอสัจธรรมคือความจรงิงอีกล้านปีก็เปลี่ยนไม่ได้ทำดีดีทำชั่วช่วแต่สัญญาเนี่ย แก้ไขได้ตามเหตุและปัจจัยแต่ต้องไม่มีเจตนาโของเขาตอนนี้เราตายกับสัญญาเราก็คิดว่ามันคือสัจจ์ฉันจะเลิกทักเธอชั่วฟ้าดินสลาย <c oughs> เออรักฉันก็ยังรักอยู่แต่เพื่อเผอฉันก็ไปมีกิก๊กแต่ฉันก็รักเธออยู่เออฉันไม่มีชู้นะฉันไม่ได้ผิดศีลนะไม่มีชู้นะฉันมีกิก๊กไม่เป็นไรงไงตอนนี้มันเลี่ยงบาลีเนาะ กอดคอกันข้ามพบข้ามชาติครูบาอาจารย์เราเองหลวงปู่มั่นเน่นะพกครูเคารพท่านโดยดุสดียะท่านเคยตั้งอธิษฐานก็สัญญากับตัวเองนั่นแหละอธิษฐานบาร ม, มีมีจริงท่านจะมุ่งมั่นเข้าสู่พุทธภูมิ พุทธภูมิต้องสร้างบา ร, รมีเยอะๆเป็นพระโพธิสัตว์ก่อ น, นตอนนั้นเราสัญญา ก, กับตัวเองอย่างนั้นไงก็เรารู้แค่นั้นไงพอมุ่งมั่นมันเพนเพี้ยนพระโพธิสัตว์ก็คือว่าก็อุบายทําดีละชั่วขัดเกลาจิตวิญญาณอุบายให้เราทําดีให้เรามีเมตานั่นแหละมันก็เป็นการทําดีนั่นแหละพอบา ร, รมีเต็มเปี่ยมแล้วปุ๊บเนี่ยจิตฉลาดขึ้นเปลี่ยนสัญญาใหม่ดีกว่าเลี้ยวเข้านิพพานหมดเพราะเขาฉลาดแล้วไงเป็นอะไรก็ยังทุกข์ เป็นพระโพธิสัตว์ก็ยังทุกข์อยู่นะแล้วไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นอะไรส่วนเขาบอกว่าเมอุบายเป็นพระโพธิสัตว์ก็เพื่อเป็นอุบายให้เราทําดีละชั่วขัดเกลาจิตนิพพานใจมีเมตตาเยอะๆมีพรมวิหารเยอะๆนั่นคือโพธิสัตว์มันเป็นโพธิสัตว์โดยกิริยาไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเป็นตอนนี้เอากันใหญ่เลยนะค่ายใหญ่ๆนะนะโอ้ยิ่งใหญ่มากประกาศว่า ท่านจะเสียสละมากจะช่วยเหลือสัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยข้ามวัฏฏะสงสารก่อนเขาจะเป็นคนสุดท้ายโอ้สัทกากันมากเลยยิ่งใหญ่มากเลยเสียสละขนาดนี้คนสุดท้ายแน่แต่วัฏฏะยังไม่มีวันหมดคุณจะทำลายวัฏฏะเลยถ้าความคิดแบบนี้ถูกต้องนะพระพุทธเจ้าซึ่อยู่ในร่างเจ้าชายชิตุทธะเนี่ยสอนผิดสิพระองค์ไปก่อนทาไม ทำไมไม่อยู่คนสุดท้ายหลงกันจนขนาดนี้นาะปฏิบัติเพื่ออยากเป็นฮีโร่อยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าส่วนจะตั้งทิรัตทิเอเมย์อก็ตั้งไปมันเป็นเรื่องสิทธิทเสริภาพแต่อย่าอ้างคำสอนพระพุทธเจ้ามาทำแบบนีนะ้ถ้าคำสอนแบบนี้ถูกต้องพระพุทธเจ้าสอนผิด พระ อ, องค์ไปก่อนทำไมทำไมไม่อยู่คนสุดท้ายยุคนี้ถ้าไม่ระวังนะไอ้ทุนนิยมแข่งขันเสรีนี่มันจะกืนเราเลยไม่ว่าคุณจะแต่งชุดอะไรก็ช่างนะแม้กระทั่งพรโสดาบันสกีตาคาเมียงอยู่ในกระแสกรรมอยู่เห็นหแต่ถึงตรง น, นั้นล้วก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากแล้วเนี่ยนางวิสาขาเนี่ยโสดาบันน้นจะเจ็ดขวบมีลูกเป็นโหลโหลร เห็น ไ, ไหมไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดมันเป็นเรื่องของสภาวะธรรมเรื่องของบุญบา ร, รมีบางทีก็ต้องใช้แม้กระทั่งเจ้าชายเีลิฐาเราเนี่ยประสูติในชาติสุดท้ายเนี่ยพระองค์ยังต้องไปแต่งงานชดเชยกรรมเก่านะเนื่องจาก พ, พระมเหสีนั่นอธิษฐานจิตไว้ส่วนที่เป็นกรรมก็ใช้ไปส่วนที่เป็นบุญก็ก็เดินไปเห็น ไ, ไหมทุกคนมีของคู่ทั้งนั้นแหละนะเอาเป็นว่า มาร์กภายในถ้าพระครูให้คะแนนแล้วเนี่ยเกสบเซำคัญมารกภายนอกส0เอร์ซแต่ไม่ใช่สําไม่สำคัญคนยังเข้าไปไม่ถึงตรงนั้นน่ยก็เอามารกภายนอกเนี่ยมาเป็นกาการเตือนสติเราโอกาสพลาดพั้งที่เราจะไปสร้างกรรมใหม่มันก็น้อยแต่สำหรับพระครูแล้วเนี่ยชาตินี้4ี่สิบปีวิ่งไปตามโลกไม่มีหรอกมารก สินค้าก็ยังไม่มีเลยไม่มีแต่พอมันเปลี่ยนปุ๊บยี่สบกีพฤติกรรมเราอยู่นี่มันเป็นมารกหมดมันเป็นโดยอัตโนมัติเหมือนอะไรล่ะเหมือนที่บอกกี้อบอกว่าอนุสัยเปลี่ยนยากเมื่อมันเปลี่ยนแล้วนิสัยที่เราทเยอทยานมากๆเนี่ยมันก็หายไปหมดไง เมื่อมันไม่มีอนาคตแล้วไม่มีความอยากแล้วแล้วทําไมมันต้องไปผิดศีลล่ะไม่ต้องถือศีลมันไม่ผิดศีลอยู่แล้วเพราะมันไม่มีความอยากต้นเหตุที่เราผิดศีลเพราะเรามีความอยากเรามีอนาคตเห็นไหมคนที่อยากมีอนาคตก็อยู่กับพรอครูไม่ได้หนีหมดไงแล้วสุดท้ายอนาคตก็คืออะไรล่ะลูกหลานติดยาติดเหล้าเจ็บออดแอดอดอดอดอดออดออดออดออดออดออดออดออด นั่นแหละนั่นคือผลไงก็คือว่าอยากมีอนาคตไงแต่คนไม่มีอยากมีอนาคตตอนนี้เด็กในไร่เป็นครูหมดเห็นไหมก็ อ, อยู่ปัจจุบันไงถึงเวลาปุ๋มมะม่วงก็ปุ๋มมะม่วงนะถึงเวลาทําอะไรก็ทําไปอยู่ปัจจุบันอย่าไปห่วงอนาคตมากนะ อนาคตไม่ต้องห่วงทุกคนมีอนาคตอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็อนาคตปีหน้าก็อนาคตชาติหน้าก็อนาคตห่วงปัจจุบัน่ะทุกลมหายใจเข้าออกอย่าพังเผยสร้างกรรมเนี่ยปัจจุบันนี้เราขยันถูเช็ดเก้าอี้ตัวนี้นะเช็ดไปพรุ่งนี้อนาคตมันก็สะอาดไงไม่ใช่เช็ดไปด้วยคิดไปด้วยว่าเออเช็ดเสร็จแล้วเนะี่ยเออฉันจะเอาไปประกวดนะ ฉันจะไปโน่นไปนี่้มันก็เช็ดถูกเช็ดผิดพรุ่งนี้อนาคตมันได้ห้าสเเ็นไงแทนที่จะเช็ดร้อยนที่นี่อย่าไปคิดอนาคตพรุ่งนี้มันก็ได้ร้อยอซนต่ทำงานเหมือนกันทำไปด้วยคิดไปด้วยเพราะเรามีอนาคตไงถ้าเราไม่มีอนาคตเราจะไม่ไม่คิดไม่จำเป็นต้องคิดคิดก็คือมโนกรรมตอนนี้อยากมีอนาคตถึงขนาดไหนรู้ไหมเขาสอนให้คิดบวก คิดบวกคิดลบถ้าเป็นอาจารย์พุทธทาสบอกกระบอลบอกจันไรเหมือนกันแต่สาหรับพระครูนะคิดบวกนี่จันไรมากกว่าคิดลบอีกเพราะมันอยากมากกว่าหรือใครปฏิเสธว่าคิดบวกไม่อยากได้ไม่อยากชนะอยากทั้งนั้นแหละก็อยากคือที่มาของทุกข์ไงตัวตัณหาพระเจ้าก็บอกแล้วยังไม่สนองความอยากอยู่ไปฟังไอ้ทุนนิยมมันไม่ฟังพุทธเจ้า อย่างไอคนนี้มันคิดลบนะพรามันไปแข่งกีฬามันก็เผื่อว่ากูน่าสงสัยแพ้ละเห็นไหมพอมันแพ้มานี่มันไม่ทุกเลยนะเพราะมันเตรียมใจแล้วไงแต่คิดบวกกูชนะแน่ๆเลยบังเอิญไปเจอหมัดหลงเข้ามาโดนน็อกเนี่ยอันนี้ฆ่าตัวตายคิดบวกไงไปสอนกันอย่างนี้ไงสนองตัญหาผู้คนไง คิดดีก็ทุกคิดชั่วก็ทุกมันเป็นมโนกรรมนะมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมนะการสร้างกรรมมีสามวิธีนะอันที่รุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดคือมโนกรรมคิดมันอยู่ทั้งวันนะคิดคิดคิดคิดคิดอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรก็ออกมาคิดหรือเราปฏิเสธว่าเราคิดไม่ใช่สนองความอยากเราอยากก็นั้นแหละถึงคิดเห็นไหม พอคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นพูดยังไงก็ทําอย่างนั้นเลยสามมันสามภาษาเนี่ยครบสูตรเลยแล้วมันจะไปไหนล่ะความทุกข์มันก็มาหาเราสิเห็นไหมทาไมพระครูรู้เรื่องนี้ทําไมพูดกล้าพูดออกมาอย่างนี้เขาด่าเป็นบ้าบางคนนี่พระครูห้าปีไปบรรยายนะมีนะมีครูบาอาจารย์ท่านใส่เข้ามาเลยไปอ้างว่า หลวงพ่อชาบ้างอะไรบ้างบอกว่าพระพระอริยะก็ยังคิดอยู่ถามว่าอริยะขั้นไหนเท่านั้นเองตอนที่ท่านพูดท่านอยู่ตรงไหนตัวเองไม่เข้าไม่ถึงนลยไปอ้างอ้างเรืงนั้นน่ะทาให้มันเข้าถึงก่อนเราต้องรู้ว่าทําไมต้องคิดละ่ะทาสานคิดไหมลองลองคิดดูทาสานคิดไหมพวกเราคิดไหม เราใช้ภาษาไทยคิดไหมหรือภาษาลาวหรือภาษาเขมรหรือเวียดนามหรือจีนหรืออังกฤษเราคิดตามภาษาใช่ไหมภาษาไม่ให้ธรรมะนะธรรมชาติไม่มีภาษาเราคิดตามภาษาภาษาคือสมมุติมันไม่ใช่ของจริงแต่ถ้าเราไม่รู้นี่เราจะไปคิดได้ไหมคิดตามภาษาไหมเห็นที่เราคิดพวาเรารู้ไงเรารู้ว่าชนะก็ดี คิดเพราะกลัวแพ้ไงหาทางชนะคิดว่ารวยก็ดีก็คิดทายังไงให้มันรวยไงจนลืมชีวิตเนี่ยเอาชีวิตเราไปทุกเพื่อเพื่อสร้างอนาคตแล้วคิดจากที่เรารู้แต่ความรู้นั้นมันเป็นอวิชามันคือความรู้ผิดความรู้ใดๆก็ช่างที่ทำให้เราทุกข์ถือว่าเป็นอวิชาทั้งสิ้นน่ากลัวมากเพราะกลั ธรรมะเขาจัดสรรให้พระครูสี่สปีเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ไปลิ้มรสความคิดเก่งๆอยากได้อะไรมันก็ได้มาหมดแล้วไงทำไมมันไม่สุกล่ะได้รางวัลชีวิตนะเป็นไมเกรนความเพียรลงกระเพาะไงนั่นก็คิดไงแต่บอมระเบิดมันพลิกมาแล้วเนี่ยถ้าไปคิดเราก็งงสงสัยเนฮะ้เราเป็นเออแล้ว ทำไมคิดไม่เป็นจริงๆแล้วนี่แหละคือคนคิดเป็นคนคิดเป็นคือคนไม่คิดไม่ใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็นคนคิดเป็นจะคิดให้ตัวเองทุกข์ทำไมคิดจนไม่หลับไม่นอนคิดจนเครียดอันนั้นเป็นแค่คิดเก่งเฉยๆไม่คิดไม่เป็นนะแล้วตอนนี้มีแต่คนพูดเก่งนะพูดต่อยหอยเลยโต๊วาทีเถียงกันอยู่ตรงนั้นแหละ อันนี้เขาเรียกคนคนพูดเก่งไม่คนพูดเป็นคนพูดเป็นพูดแต่เรื่องเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตัวตัวเองและผู้อื่นพูดเพื่อให้ไม่ใช่พูดเพื่อจะเอาชนะเขานี่มีแต่คนพูดเก่งคนทำเป็นไม่ใช่คนทำเก่งทำแต่เรื่องเป็นกุศลเป็นประโยชน์คนอื่นนี่คือคนทำเป็นแต่ตอนนี้มีแต่คนทำเก่งเก่งเอาเปรียบคนอื่นเก่งสร้างกรรมมันเพี้ยนหมดละ นะคิดว่าหมดแล้วยังมีใบหนึ่งสอดอยู่นี้อยู่<อ>ก็ยังมีเวลาหน่อยหนึ่งพรอคูจะไปเร็วๆเนาะกาบเรียนท่านพ่อครูที่เขาลงจำเป็นไหมโยกตัวและเวียงหมุนแรงทุกครั้งที่จะเข้าไปจิตในจิตถ้าเราหมุนหรือเวียงไม่แรง เราจะไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปจิตในจิตได้เลยหรืออย่างไรขอเมตตาอธิบายค่ะอย่าอยากเข้าไปมากเลยบางคนไม่ต้องเข้าหรอกฟังผู้เจ้าพูดคำหนึ่งก็บรรลุธรรมแล้วนี่คือเป็นอารมณ์ที่เราอยากเพราะเราเป็นนิสัยว่าถ้าทางโลกต่อสู้ก็อยากให้มันสำเร็จ พอมาปฏิบัติธรรมก็อยากอยากอยากยากยาให้เหมือนคนอื่นนะนี่คืออยากเนาะปฏิบัติเพราะปฏิบัติมันเข้าก็เข้ามันไม่เข้าก็ไม่หลายคนนะอู้เมื่อไรจะเข้าเมื่อไหรจะเข้าพอมันเข้าไปแล้วบอกเมื่อไหรจะออกเมื่อไหรจะออกมันไม่ยอมหยุดพวกกูเห็นมาหมดแล้วนะอู้ยร้อนนะก็มักอ้างว่าเย็นนักก็มักอ้างว่าไอ้คนอยากก็อยากอยู่นั้นอยากเข้าพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันเอาให้เข็ดเลยพวกกูเคยนั่งเข้าที่นี่ตีหนึ่งตีสองไม่ยอมออกนะ กูเมื่อไหร่มันจะออกเอ้าก็อยากเข้าไงไม่ต้องออกรอกอยู่ในนั้นแหละ <c oughs> นี่แหละอยากนี่แหละอยากก็ตันหาไม่อยากก็วิพวตันหาคือที่มาของทุกหมดอย่าอยากก็ทำไปเรื่อยๆศรัทธาในสิ่งที่เราทำนะข้อสองจิตเข้าไปในจิตแล้วคืออะไร และตัวเองจะรู้ได้อย่างไรมันจะมีอาการหรือสภาวะอย่างไรเราพยายามจะหาเหตุผลแบบตรรกนะเนาะทุกคนเป็นหุน่นยนต์เหมือนกันหมดเนาะแต่และคนคงไม่เหมือนกันนี้ก็ตอบเองลวไงแต่อยากทราบ <c oughs> เราจะทราบได้อย่างไร ว่าจิตเข้าไปในจิตแล้วนะก็ถามเขาสิถามจิตเฮ้ยเข้าไปหรือยังวะ <c oughs> คือรู้หมดเลยนะเนี่ยรู้ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันไง้าจะถามว่ามันเข้าแล้วมันเป็นท่าทางยังไงยังไงเลอโอ้อะไรกันนักหนานะนี่คือความอยากอีกเหมือนเก่านั่นแหละอยากรู้อะไรล่วงหน้านะอันนี้สะท้อนให้เห็นความอยากนี่คือท่านในทางโลกเป็นคนตั้งมั่นมาก เขาทําอะไรเขาทาจริงๆอะะเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเสียหายนะแต่จริงแค่พอดีนะถ้าจริงมากๆเกินไปเนี่ยมันไม่ใช่ทางสายกลางไอ้ตัวอยากเรามันดึงไว้ที่ส่วนมากเข้าไปยังไม่ได้เพราะเราอยากนั่นแหละเด็กๆมันไม่อยากนลพอเหวี่ยงก็เวี่ยงปุ๊บมันก็ไปเลยทำไมพอเราอยากไลยไปดูมันเรื่อยๆให้มันเข้าไปได้ยังวะ เออเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตไม่ได้นะถ้าคนนั่งแอบมาดูมันนี่ละ่ะคล้ายเราดึงมันไว้นั่นแหละแล้วมันจะเข้าไปได้ยังไงละ่ะคือโดดลงไปเลยลุยไปเลยนะนี่แหละเพราะเราติดความคิดไงนะการหลุดพ้นในการเวียนแบบนี้เป็นอย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรไปถามตำรวจเนาะ มันเป็นอัติเหตุตโนาโถคือรู้ได้เฉพาะตนมันเป็นสันทิติโกนะมันเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนเราอยากรู้ว่าน้ำนี้เนี่ยรสชาติเป็นยังไงเราก็ดื่มดูเนาะถ้าไม่ดื่มไม่นั่งคิดเอาเองมันก็ไม่รู้ไงแต่ทีนี้เนื่องจากความอยากเราอยากเข้าไปเร็วๆจริงๆแล้วบางคนในจิตทำงานแล้ว แต่ก็ติดบ่วงจิตปัจจุบันเนี่ยมันก็วิจัยเรื่อยๆเอ๊ะเข้าไปได้หรือยังวะนะพวกกูถามว่าแล้วเมื่อกี้รำอยู่ใครรำล่ะเ <c oughs> ขาบอกก็ไม่รู้เหมือนกัน ก, ก็ถามมันสิทําไมสั่งให้ฉันรำอย่างนี้ยสมองเราไม่ได้รำอยู่แล้วใช่หไหมล่ะนั่นแหละก็ทำไปเรื่อยๆอย่าไปหาคําตอบด้วยเหตุผลแบบตักกะนะมันไม่ใช่สูตรสำเร็จนเนะเหมือนบางคนทางโลกนะเขาปวดฟันมากเลยอุย้ยเพื่อนก็บอกว่าอะไรปวยกันนักนะ เออเธอยังไม่เคยปวดท้องนี่ฉันปวดท้องมากกว่าเธอตั้งเยอะแยะเลยเนี่ยนะบางคนเถียงกันเหรอมึงไม่เคยปวดท้องมากกว่าปวดฟันบานทีปวดฟันเธอไม่เคยปวดเธอไม่รู้หรอกอะไรเนี่ยนะมันเถียงกันนะนะก็อย่าไปอยากรู้ไม่มีอะไรต้องรู้เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่สักอย่างหนึ่ง ไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่ใช่อุปทานที่เราเข้าไปเห็นโน่นเห็นนี่เห็นโน่นเห็นนี่เหมือนกันเราเห็นจริงๆไงแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงมันเป็นอุปทานของจิตเขาสร้างนิมิตอะไรขึ้นมาสร้างอารมณ์ต่างๆเพื่อสอบจิตปัจจุบันถ้ายังมีความอยากจุ๊บเฮ้ยอะไรวะแฟบเหมือนเป่าลูกโปง่งอยู่ดีเป่าๆกาลัาลา ง, ส, งสร้างพลังอยู่เฮ้ย <"Hey, S 1> อะไรนะแฟบเป่าใหม่ นั่นแหละคือมันประเมินเราไงว่าเธอทันไหมไม่ทันหรอกถ้าคนอยากรู้อยากเห็นนี่สงสัยอยู่เรื่อยไปวิจัยอยู่เรื่อยเราไปสร้างความลังเลสงสัยนี่คือนิวรณิวรณ์คือสิ่งขวางกั้นทางเดินเห็นไหมเพราะครูต้องเน้นบ่อยๆนะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินนะเหวี่ยงทิ้งรู้แล้วก็เวียงทิ้งไม่ต้องพยยิจารณาไม่ต้องตัดสินเตือนบ่อยๆไงแต่เพลิวปุ๊บก็ทำใหม่ อย่างไรรูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรวิชาที่ดีที่สุดนะเหวี่ยงไม่ทิ้งซะไม้นี้ให้พระครูใช้คนเดียวทําเลยอย่าถามว่าทําไมนะไอ้ตัวทําไมนั่นแหละมันทําให้เราจริงๆแล้วจิตมันทํางานแล้วแต่ว่าไอ้ทาไมอยู่นั่นแหละนะถามทําไมไอ้ตัวทําไมมันดึงไว้เนาะไม่ต้องถามทําไปเรื่อย ทีนี้เราเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วว่าให้ทําไปเรื่อยก็โง่สิมันคนเรามันต้องมีเหตุมีผลสินะมีหลวงพี่ท่านหนึ่งท่านก็จิตเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เก่าในอดีตตอนนั้นก็ทํำไม่ทำไม่เขาก็ถามพรอครูว่าเอ๊ะเราต้องรู้ก่อนเนี่ยเราค่อยวางเออบอกถูกแล้วแล้วหลวงพี่รู้หรือยังว่ากดภาย์ไตรักมีอะไรก็บอกรู้อันนี้จังทุกขังก็รู้แล้วไงทำไมไม่วางล่ะ ก็ไม่เป็นนิจจังทุกอย่างแต่ก็รู้อยู่แล้วไงก็รู้อยู่แล้วทุกอย่างเป็นอนิจจังท่าแล้วจะอยากไปรู้อะไรเหรอก็วางสิรู้แล้วก็วางไงคนแบบนี้เดี๋ยวพวกคูต้องให้การบ้านนะเดี๋ยววันหลังมาช่วยไม่ชีนี่ถูพื้นปล่อยให้ทําคนเดียวเลยนะให้เวลาชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวถูปล่อให้เม็ดนี้ทําไมมันเปื้อนมาเอาไปเข้าห้องในห้องแลบบทำไมไปวิจัยอ อ, ออกมาถูอีกให้เม็ดนี้เปื้อนอะไรเขาเข้าไปอีกถามว่ามันมันจะเสร็จหรือเปล่าวันนี้ บางทีชาตินี้ก็ไม่เสร็จเลยนะมัวแต่ทําไมนั่นแหะถูก็ถูไปถูก็ถูไปเดี๋ยวสักพักนึงมันสะอาดเอ้ยรู้อยู่แล้วมันเกิดปัญญาว่าความสะอาดมีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมแค่ความสกรปรกออกเท่านั้นเองเนี่ยนี่คือปัญญาไงไม่ต้องไปรู้ทุกเรื่องยุ้มยุ้มยิ้มยิ้ ม, ม, มะนะถูไปด้วยก็คิดไปด้วยเอาไปวิจัยไปด้วยแล้วเมื่อไหร่ล่ะนาะไม่ต้องคิดมากก่อนจะศรัทธาเนี่ยต้องใช้สติปัญญาเท่าที่มีอยู่นี นะอย่าพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆเมื่อศรัทธาตั้งมั่นโดดลงไปลองแล้วนี่อย่าลังเลทำให้มันสุดๆดก่อนใช่ไหมก็ทำไปแล้วก็ดูผลสังเกต ด, ดูว่าเฮ้ย hey, เราเป็นอะไรหรือเปล่านอกจากว่าไปสานักไหนไม่รู้ว่าเขาเขาใช้อุบายว่ามารับขันก่อนมาอย่างนี้ก่อนอันนั้นต้องคิดดูดีๆขันห้าก็หนักมากมายแล้วจะไปรับขันหกขันเจอีกอันนั้นต้องคิดดีๆ อันนั้นก็ชอบชอบกิเล่มันชอบชอบไงเพราะมันหลอกเราได้ไงมันไปรับเถอะมันรับขันเถอะมันไม่ละคายเครืองมันไงแต่มันไม่ชอบอย่างนี้นะเหวี่ยงมันทิ้งกิเล้ว่าเรื่องอะไรฉันอยู่ของขันดีๆมาเหวี่ยงฉันทิ้งมันก็หลอกเรานั่นแหละมันหลอกเราหลอกได้ทุกเรื่องยิ่งเราเราเป็นนักคิดนักยรียนรู้มันมันก็บอกว่าทําไมทําไมอยู่นั่นแหละเออมัวแต่ทำไมทําไมเถอะนะมันก็คลองตัวเราตลอดเวลาเห็นไหมนะทําไปเลยนะ ไม่ต้องไม่ไม่นี่บอกแล้วให้พระครูพูดคนเดียวนะลูกรับทราบว่าเป็นการเป็นความเป็นกเป็นการรับรู้เฉพาะตัวเนี่ยไม่ทราบแล้วนะแต่ขอทราบเป็นความรู้เอาอู้อะไรกันนักหนาเนาะ เพื่อศึกษาต่อถึงแม้จะรู้ได้เฉพาะตัวนะตัวตนฟังคำนี้ดีๆนะลูกรับทราบว่าเป็นการรับรู้เฉพาะตัวแต่ขอทราบเป็นความรู้เพื่อศึกษาต่อถึงแม้จะรู้ได้เฉพาะตัวเพราะนั้นที่รู้อยู่แล้วยังอยากรู้อีกอยู่โอ้อะไรกันนัดหนาเนาะ อันนี้แหละก็เรียกว่าเป็นคนวิตกจริตแต่วิตกด้วยตกจริตก็บรรลุทําได้นะไม่ใช่อะไรนะโลภะจริตโทสะจริตนะโมหจริตวิตกจริตนะศรัทธาจริตพุทธจริตหกจริตนี้เนี่ยถ้าไม่หยุดเดินต่อไปได้นะนี่แหละคือกระบวนการอนุสัยเราเนี่ยเขาบอกว่ามันเปลี่ยนไม่ใช่มันเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนยากต้องอดทน เนี่เห็นจริตชัดเจนไหมก็พูดเัาเองว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นเฉพาะตัวแต่ก็ยังอยากรู้อยู่เพื่อเอาไปศึกษาอีกรู้เฉยๆนะเบี่ยนตัวอยากทิ้งเพราะคูบอกเราสัตว์แต่ว่ารู้สัตว์แต่ว่าเห็นอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้ ร, ร, รู้อย่าไปรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรนะรู้สิ่งที่มันกระทบเราเนี่ยเหมือนเรายิงเป้าบินะยิงเป้าบินไปพิจารณาทันไหมเฮ้มันสีอะไรครยิงมามันก็ตกแล้วนะ เดี๋ยวลูกนั้นขึ้นมาอีกคุณจะพิจารณาทันไหมยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวนั่นแหละคนไม่มีปัญญาเนี่ยยิงไม่ถูกนะนั่นแหะคือปัญญาปัญญารู้แจ้งเห็นจริงว่าอะไรก็ไม่ใช่ยิงทิ้งอย่างเดียวไม่ได้ไปว่ารู้มากเนาะอันนี้แสดงว่าเป็นนักเรียนรู้นะเพราะภาษาหยาบเกินไปอ่ารู้อย่างแล้วขอพ่อครัวธิบาย แบบกว้างๆพอเข้าใจแต่ไม่เข้าใจเข้าจไม่เข้าจิตค่ะรู้หมดเลยแล้วก็ยังอยากรู้อะไรทำไมแล้วก็รู้ว่ามันเข้าใจมันไม่เข้าจิตอยู่ก็ทำให้จิตมันเข้าไปซะเห็นไหมก็ภาษาเหมือนเก่าเนะ่แหละเนี่ยเพราะเพราะความตั้งใจของเราให้ข้อคิดอย่างหนึ่งอย่าตั้งใจใจคือกิเลสเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละ มันจะหลอกเรามันจะตั้งคําถามไว้ด้วยเพื่อจะดึงให้เราไม่ต้องเดินต่ออย่าตั้งใจให้ตั้งมั่นตั้งมั่นตั้งมั่นเป็นเรื่องของจิตตั้งมั่นกับสิ่งที่เราทําตั้งใจเป็นเรื่องของกิเลสนะใจนี่มันสั่งมันสั่งลูกน้องมันตัวสําคัญเลยคือความคิดเนี่ยคิดสร้างอารมณ์มาหลอกเราตลอดนะตั้งมั่น ให้จิตตั้งมั่นทำไปเลยไอ้ใจมันก็ทำหน้าที่มันเห็นไหมมันทำหน้าที่ดีแล้วนะมันเกิดเรื่องความถานวิ่งบ่อยยิงทิ้งยิงทิ้งเวียงทิ้งเวียงทิ้งอย่าไปคิดตามมันมันคิดก็ปล่อยมันคิดไปมันเป็นมันเป็นอนุสัยเรามันเป็นกิเลสเราอย่าไปรังเกียจมันด้วยอย่าไปผักใสไล่ส่งมันคำว่าเวียงทิ้งไม่ใช่ไปเวียงมันทิ้งนะเวียงความยึดมั่นเตือนเราว่าอย่าไปติดมันอย่าไปติดมันคือเตือนให้เรารู้เท่าทันมันใช่ไหม ถ้าไม่เวียงทิ้งเราอยากรู้นะที่บอกว่าเขายิงเป้าบินขึ้นมาเนี่ยแล้ไม่เวียงทิ้งแล้วก็ไปพิจารณามันให้มึงสีอะไรวะมันไม่ทนันรูปนามมันเกิดดับเร็วมากคําว่าปัญญารู้แจง้งรู้แจ้งว่าทุกอย่างมันเกิดมันดับมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ทั้งนั้นไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินรู้เท่าทันมันเฉยเฉยรู้เท่าทันเฉยเฉยก คำว่าเบี่ยงทิ้งคือเตือนเราว่าผ่านผ่านผ่านเวียงความยึดมั่นถึงมันที่เราจะเป็นหลงมันทิ้งเป็นการเตือนตัวเองไม่ใช่เวี่ยงสิ่งนั้นทิ้งไม่ใช่รังเกียจมันนะถ้าไม่มีอารมณ์เหล่านั้นทําทําในธรรมไม่เกิดขึ้นนะทําในธรรมเนี่ยคือกายในกายเวทนานาะจิตในจิตทําในธรรมทาในธรรมนี่คือทำมาลมซึ่งมันอยู่ในจิตใต้สํานึกเราไม่ต้องไปนั่งทรมานตัวเองมานหนึ่งสิบยิบชั่วโมงเพื่อให้มันเกิดเวทนานะ อันนี้เนื่องจากคนที่ยังเข้าไปไม่ถึงเนี่ยเขาเริ่มจากกายในกายต้องมาสร้างเวทนาให้เราเกิดสังเวทนะให้เราจางคลายความยึดมั่นกับากายภาพนี้บางทีตายก่อนนะบางทีไม่ใช่ขันตีนะขันแตกแต่เป็นเทคนิคอุบายเพราะว่าเขายังเข้าไปไม่ได้เมื่อเราเข้าไปได้ในจิตในจิตแล้วเนี่ยเวทนาซึ่งในเป็นเบญญาาในอดีตได้หลายชาติบันทึกเป็นสัญญาอยู่นั้นเรียบร้อยแล้วมันเป็นธรรมลมนั่นแหละ ทำารม ต, ต่างๆมันเกิดขึ้นนั่นแหละมันเป็นฐานที่ตั้งแห่งการดำเนินมรรคจิตของเราถ้าไม่เข้าถึงจิตในจิตเราก็ไม่สามารถเสพธรรมในธรรมได้มรรคจิตไม่เกิดขึ้นนี่คือมรรคภายในนะถ้ า, นะถาพรอครูไม่หยุดนะเดี๋ยวมันจะต่อเนาะเอาจบแบบห้วนๆเลยดีกว่า <c oughs> โอเคสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาล